อดีตและอนาคตสำหรับการใช้ความคิดแบบที่เ้านี้มีดังนี้ความคิดที่มีอยู่กับปัจจุบันคือความคิดที่เก่อติดอดีตและเลื่อนลอยไปในอนาคตนั้นมีลักษณะ ส, สำคัญที่พูดได้สั้นๆว่าเป็นความคิดในแนวทางของตัณหาคือคิดด้วยอำนาจตัณหาคิดไปตามความรู้สึกหรือใช้คำสมัยใหม่ว่าตกอยู่ใต้อานาจอารมณ์ อารมณ์ในที่นี้หมายถึงคำที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า emotion ไม่ใช่อารมณ์ในภาษาธรรมะแต่ถ้ามองให้ลึกจริงๆก็เป็นการตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ในภาษาธรรมะด้วยคิดไปตามความรู้สึกหรือใช้คำสมัยใหม่ว่าตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์โดยมีอาการหวนละห้อยโหยหาอะไรอววรถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว เพราะความก่อติดหรือค้างคางในรูปใดรูปหนึ่งหรือเคว้งคว้างเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปในภาพที่ฝันเพ้อปรุงแต่งซึ่งไม่มีฐานแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันเพราะอึดอัดไม่พอใจสภาพที่ประสบอยู่ปรารถนาจะหนีจากปัจจุบันส่วนความคิดชนิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะที่พูดสั้นได้ว่าเป็นการคิดในแนวทางของความรู้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 ที่เป็นการรู้อนาคตเป็นต้นว่าโดยความหมายทางธรรมะในขั้นการฝึกอบรมทางจิตใจที่แท้จริงคำว่าอาดีตปัจจุบันและอนาคตก็ไม่ตรงกับความเข้าใจของคนทั่วไปคำว่าปัจจุบันตามที่คนทั่วไปเข้าใจมาครอบคลุมการเวลาช่วงกว้างที่ไม่ชัดเจนส่วนในทางธรรมะ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 ก็เป็นอันฟุง้งไปในอนาคตโดยในย่านี้แม้แต่อดีตและอนาคตตามความหมายทางธรรมะก็อาจยังอยู่ในขอบเขตแห่งเวลาปัจจุบันตามความหมายของคนทั่วไปตามเนื้อความที่กล่าวมาแล้วนี้จะมองเห็นความหมายสำคัญแง่หนึ่งของคำว่าปัจจุบันในทางธรรมะว่ามีใจเพ่งที่เหตุการณ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกภายนอกแท้ที่เดียวแต่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในขณะ น, น, นั้นเป็นสำคัญดังนั้นมองอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ตามความหมายของคนทั่วไปว่าเป็นอดีตรหรือเป็นอนาคตก็อาจกลายเป็นปัจจุบันตามความหมายทางธรรมะได้เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันคนทั่วไปอาจกลายเป็นอดีตรหรืออนาคตตามความหมายทางธรรมะ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 กำลังพิจารณาเกี่ยวข้องต้องกระทําอยู่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทํากิจหน้าที่เรื่องที่ปรารพเพื่อทำกิจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ไม่ใช่คิดเลื่อนลอยปุ้งเพ้อฝันไปกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจโรยอติดข้องอยู่กับความชอบความชังหรือฟุ้งซ่านพลานไปอย่างไร้จุดหมาย ความหมายแง่ต่างๆเหล่านี้จะมองเห็นได้จากพุทธพจน์ที่จะยกมาแสดงในที่นี้แม้แต่พุทธพจน์ที่ตรัสแนะนำไม่ให้รำพึงหลังไม่ให้เพ้อหวังอนาคตก็เป็นการตัดความรู้สึกฝ่ายนั้นออกไปโดยอยู่กับความตระหนักรู้ภาวะที่เป็นจริงในการทากิจหน้าที่ดังจะขอให้สังเกตจากบาลีที่ยกมาอ้างต่อไปนี้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 พึงบำเพ็ญสิ่งนั้นควรทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใกรเล่ารู้ได้ว่าจะตายในวันพรุ่งกับพญามัจจุราชแม่ทัพใหญ่นั้นไม่มีการผัดเพี้ยนได้เลยผู้ที่ได้เป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่ซึมเศร้าทั้งคืนวันราสันตามุนีทรงเรียกขานว่าผู้มีแต่ละวันเจริญดี จากพัเทกะรัตสูตรผู้มีแต่ละวันเจริญดีแปลาจากพัเทกะรัตตาซึ่งแปลโดยพยัญชนะว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญจะแปลว่าผู้มีแต่ละราตรีนำโชคก็ได้อีกแห่งหนึ่งว่าผู้ถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่เพอ้อฝันถึงสิ่งที่ยังไม่มาดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผิวพันจึงผ่องใสส่วนเหล่าชนที่อ่อนปัญญาเฝ้าเพอ้อเฝ้าฝันถึงสิ่งที่ยังไม่มาละห้อยหาสิ่งที่ล่วงแล้วจึงสูสบซีดหม่นหมองเหมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนถึงขึ้นทิ้งไว้ที่ในกลางแดด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 ตอกิจกรรมของส่วนรวมดังนี้พึงระวังสิ่งที่ควรระวังพึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึงที่ระชนตรวจตราโลกทั้งสองเพราะคำหนึ่งภัยที่ยังไม่มาถึงเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเอง เราปราธถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นเธอทั้งหลายจงยังกิจคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทตัวอย่างการคำนึงอนาคตและปฏิบัติตนเองของพระภิกษุภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นภายอนาคตห้าประการต่อไปนี้ย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิตตัวเด็ดเดียวเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งห้าประการคืออะไรได้แก่หนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า เวลานี้เรายังหนุ่มยังเยาวมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยามปฐมวัยแต่ก็จะมีราวสมัยที่ความชราจะเข้าต้องการนี้ได้ก็แลการที่คนแก่เท่าถูกชราครอบงำแล้วจะมานัสิการคำสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายย่อมมีใชยจะทำได้โดยง่ายการที่จะเสพอาศัยเสยนาสนะอันสงัดในราวป่าแดานไพรก็มีใช่จะทำได้โดยง่าย อยากระนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเราเร่งเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถิดเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้วแม้จะแก่เท่าลงก็จักเป็นอยู่ภาสุข 2. อ, อีกประกาหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า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 อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้ข้าวยังดีบินทบาทหาได้ง่ายการยังชีพด้วยการอุ้มบาทเที่ยวไปก็ยังทำได้ง่ายแต่ก็จะมีคราวสมัยที่อาหารขาดแคลนข้าวไม่ดีหาบินทบาทได้ยากการยังชีพด้วยการอุ้มบาสเที่ยวไปมิใช่ทำได้ง่ายพวกประชาชนในที่หาอาหารได้ยาก ก็จะอบพยพไปยังถิ่นที่หาอาหารได้ง่ายวัดในถิ่นนั้นก็จะเป็นที่ขับข้างจอแจก็เมื่อวัดขับข้างจอแจการที่จะมนานัิการคําสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายย่อมมีใช่จะทาได้ง่ายการที่จะเข้าเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราบป่าแดนไพรก็มีใช่จะทาได้ง่ายอยากรรนั้นเลยเราจะเร่งเริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ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 ชาวชนบทาพากันขึ้นยา น, นี้แยกย้ายกันไปในเมื่อมีภัยประชาชนทั้งหลายย่อมอบพยพไปยังถิ่นที่ปลอดภัยวัดในถิ่นนั้นก็จะคับคั่งจอแจเราจะเร่งเริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุแม้เมื่อมีภัยก็จักเป็นอยู่ผาสุข 5. อีกประการหนึ่ง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 อันสงัดในราวป่าแดนไพรก็มีใ่จะทำได้ง่ายอยากเรนั้นเลยเราจะเร่งเริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุแม้สงแตกแยกกันก็จักเป็นอยู่ภาสุขอีกสูตรหนึ่งตรัสสอนภิกษุผู้อยู่ป่าว่าเมื่อมองเห็นอนาคตภัยหประการควรจะเป็นอยู่โดยไม่ประมาท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 มิได้เจริญศีลมิได้เจริญจิตมิได้เจริญปัญญาชนเหล่านั้นทั้งที่ตนมิได้เจริญกายศีลจิตปัญญาก็จะให้อุปสมบทชนเหล่าอื่นและจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอาธิศีลในอาธิจิตในอาธิปัญญาแม้ชนเหล่านั้นก็จักเป็นผู้มิได้เจริญกายมิได้เจริญศีลมิได้เจริญจิตมิได้เจริญปัญญา โดยในยานนี่แลเพราะธรรมะเ ล, เลือนเวินัยก็เละเลือนเพราะเวินัยเละเลือนธรรมะก็เลืะเนือน 2. อ, อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจากเป็นผู้มิได้เจริญกายมิได้เจริญศีลมิได้เจริญจิตมิได้เจริญปัญญาเธอเหล่านั้นจะให้นิสัย คือเป็นอาจารย์ปกครองดูแลสั่งสอนฝึกอบรมแก่ชนเหล่าอื่นละจนถึงโดยในยะนี้แลเพราะธรรมะเละเลือนวิยนัยก็เละเลือนเพราะวินัยเละเลือนธรรมะก็เละเลือน 3. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจากเป็นผู้ไม่ได้เจริญกายไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญจิต ไม่ได้เจริญปัญญาเธอเหล่านั้นเหล่าอภิธรรมกถาเวทธร ร, รกถาถลำเข้าสู่ธรรมะที่ผิดก็จะไม่รู้ตัวโดยในยะานี้แหละเพราะธรรมะเลื่อนวินัยก็เลื่อนเพราะวินัยเลื่อนธรรมะก็เลื่อนส่ 4. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลาย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 ชุมชนผู้เกิดภายหลังจกถือตามอย่างภิกษุเทระเหล่านั้นและชุมชนแม้นั้นก็จะเป็นผู้มากมากย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางเชิญแช์ทอธุระในการอยู่สงัดไม่เริ่มระดมความเพียรโดยในย่านี้แลเพราะธรรมะเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมะก็เลอะเลือนภิกษุทั้งหลายนี่คืออนาคต ภ, ภัยประการที่ห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 ก็คือคำที่บังแหงแปลว่าพุทธวจนะนะครับคำว่าสาวกภาสิตหรือสาวกภาสิตมาจากคำเต็มในบาลีว่าพาหิรกาสาวกภาสิตาซึ่งคำว่าพาหิรกาหรือพาหิรกะแปลว่าภายนอกจึงหมายถึงสาวกนอกศาสนาหรือคำสอนนอกศาสนา สำหรับการแปลาบาลีเป็นไทยในพระไตรปิฎกนั้นยังมีอีกหลายส่วนที่ท่านแปล ย, ยังไม่ตรงทีเดียวนักบางส่วนท่านแปลให้เข้าใจภาพรวมก่อนเพราะยังหาคําให้ตรงทีเดียวไม่ได้หรือบางครั้งแปลให้เข้าใจสั้นๆเพราะเห็นว่าไม่ใช่สารา ส, สําคัญอะไรหรือเพราะมีอธิบายไว้ในที่อื่นละเอียดล้าเป็นต้นนะครับจึงอาจทําให้เข้าใจผิดได้สําหรับผู้ไม่แตกฉานจริงดังนั้นหากต้องการอ้างอิงหรือมั่นใจจริงท่านว่า ควรจะศึกษาหรือตรวจสอบจากบาลีโดยตรงก่อนและอ้างอิงจากบาลีเป็นหลักเท่านั้นซึ่งก็ต้องเข้าใจแตกฌาญในบาลีด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นจะเกิดเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิไปอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับในเรื่องนี้สามารถอ่านหรือฟังจากหนังสือรู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรงโดยสมเด็จพระพุทธโคาจารย์ปออประยุทธ์ตเช่นเดียวกันนะครับ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 หนึ่งภิกษุทั้งหลายในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ชอบสวยชอบงามในเรื่องจีวรจกละเลยการถือครองผ้าบางสกุลจะละเลิกเสนาสนะอันสงัดในราป่าแดนไพรจกมาออกันอยู่ในหมู่บ้านอำเภอและเมืองหลวงและจักประกอบการสแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่จีวร 2 อ, อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ชอบดีงามอร็จอร่อยในเรื่องอาหารบิณฑบาตจะมาออกันอยู่ในหมู่บ้านอำเภอและเมืองหลวงคอยสแสวงหารสเลิศด้วยปลายลิ้นและจากประกอบการสแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่อาหารบิณฑบาต 3. อีกประการหนึ่ง ในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ชอบโก้ชอบงามในเรื่องที่อยู่อาศัยและจากประกอบการสแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่ที่อยู่อาศัย4อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณีนางสิขามนาและสามเณรทั้งหลาย และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยภิกษุณีนางสิกขามนาและสามเณรทั้งหลายก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเธอทั้งหลายจากประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ยินดีหรือจากลาศิกขาเวียนกลับไปเป็นคฤหัสห้าอีกประการหนึ่งในอนาคตตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลาย และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณ น, นทั้งหลายก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเธอทั้งหลายจักเป็นอยู่ประกอบการบริโภคสิ่งของที่ทำการสั่งสมไว้มีประการต่างๆจะกระทานิมิตคือเล็ในหาลาบแม้ยางหยากหยาบแม้ที่แผ่นดินแม้ที่ปลายผักหญ้านี่คืออนาคต ภ, ภัยประการที่ห้าซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้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 ผ่านเวลาและคุณภาพของจิตใจให้สูญเสียไปเปล่ากับความคิดถึงอดีตล้านาคตตามแนวทางของปัญญาที่เป็นเรื่องของกิจในปัจจุบันอันช่วยให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติช่วยให้การปฏิบัติในปัจจุบันถูกต้องได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักการนี้จะกลับกลายมาเป็นการสนับสนุนให้มีการตระเตรียมและวางแผนกิจการล่วงหน้า ดังตัวอย่างกิจาการสำคัญของสงฆ์เช่นการสังคยนาครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะความคำนึงอนาคตชนิดที่เชื่อมโยงถึงกิจที่จะกระทำในปัจจุบันได้โดยในยะดังกล่าวมาชะนี้การสังคยนาครั้งที่หนึ่งสังขีติสูตรในพระไตรปิฎกก็เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภอดีต คือการแตกแยกของนิโครนภายหลังศาสดาเส้นชีพและทรงปรารภอนาคตคือการร้อยกรองธรรมวินัยเพื่อเป็นหลักช่วยมิให้สรงภายหน้าแตกแยกกันข้อสรุปที่ดีที่สุดก็คือความหมายของสติที่เป็นพุทธพจน์นั่นเองว่าระลึกกิจที่ทำคำที่พูดแล้วแม้นานได้